เส น, นีวิทยุครอ บ, บครัวก่าสดรอยเฟยมร้อยหขปเจ้าพระมหาภัยบูอโนอภิปุโนจากวัดป่าดอนนายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นำเรื่องราวที่เป็นในทางคําสอนของรพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการที่ฟังทำอยู่บ่อยๆท่านผู้ฟังทําให้ความรู้เรากว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นไปในทางธรรมะใช้ในการที่จะตัดกิเลสในใจ ทั้งที่เป็นในทางความรู้ที่จะทำให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกได้ยังมีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยเกื้อคุลให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังดังนี้ความรู้ต่างๆที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเน้นก็มีทั้งที่เป็นนิทานที่มาในเรื่องของธรรมบทที่เป็นการอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์หรือแม้แต่เรื่องของพระสูตรที่นํามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจําในทุกๆสัปดาห์ แต่เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้นําเรื่องของพระเจ้าวิทุถะะหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันยังไม่จบท่านผู้ฟังเรื่องนี้ยาวมากต้องใช้ต่อเนื่องกันถึงสมตอนเมื่อวานนี้เป็นตอนแรกได้ปรารลถึงการที่พระเจ้าวิทุทะะนี้เกิดขึ้นมาเป็นกุมารก่อนเป็นย่งเป็นเด็กเป็นลูกของพระเจ้าเปรตที่โกศลซึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลที่ให้กําเนิดลูกคือวิทุถะ นี้มาเนี่ยก็เพราะว่าปรารถนาที่จะมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าคือตอนนั้นนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่พระราชวังของตัวเองอยู่ถึงเจวันในช่วงวันรแรกๆนี่ก็ไปถวายอาหารด้วยตัวเองก็ดีอยู่แต่พอวัน ถ, ถัดมาปรากฏว่าลืมและลืมที่จะไปถวายอาหารพวกมาเล็กอะไรต่างๆก็ไม่ได้รับคําสั่งพระราชาก็เลยไม่กล้าทําทําให้ภิกษุทั้งหลายนั้นหนีกลับไป พอมาในวันหลังๆมาพบว่าเอา้าทําไมไม่มีพระมาเหลือแค่ท่านพระอนุนองค์เดียวก็เลยมีความคิดที่จะทําความคุ้นเคยกับพวกภิกษุทั้งหลายตามเรื่องราบที่รพระเจ้าได้ตรัสเล่าให้ฟังเระได้ฟังเรื่องราวนี้ไปแล้วเมื่อวานนี้จนไปถึงตอนที่พระเจ้าเปรตที่โกศลได้ไปขอทิดาของสากยัตริกูลปรากฏว่าพวกเจ้าสากยานีเอาลูกของนางตาสีให้แล้วก็มาเป็นแม่ของวิถุถะพะ ตอนนี้แหละที่วิตูธะพะกลับไปเยี่ยมหมู่ญาติของตัวเองตอนที่อายุ16ปีแล้วค้นพบความจริงก่อนหนี้ตะวบฟังก็เลยผูกใจเจ็บมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวันนี้เรามาฟังตอนต่อของเรื่องพระเจ้าวิตูทะพะมาฟังเรื่องราวของเจ้าพันธุละซึ่งเป็นเพื่อนของพระเจ้าเปรสินิโกสนนี่แหละเจ้าพันธุละนี่มีความสามารถในด้านวิชาการรบอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งวิชาการใช้ธนู แต่ซึ่งตรงนี้ก็มีเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเท้าความถึงเรื่องของมิฑูตภะตมบูฟังตอนที่วิฑูตพะกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองกบิลพัทตอนพวกสากยะต้อนรับมิฑูตภะพระกุมารทรงกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นนมากพระนางวาสภาคติยา ทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่าหม่อมฉันอยู่ทางนี้สบายดีพระยาทั้งหลายอย่าแสดงโทษไร้ไรของพระสวามีแก่พระกุมาร น, นั้นเลยเจ้ า, า ส, สากยะทรงทราบว่าวิฑูตพักุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหววิฑูตพักกุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆ ก, กว่าวิฑูตพันั้น ไปยังจนบทเสียเมื่อวิฑูตบักกุมาร น, นั้นเสด็จถึงกบิลพัทบุรีก็ประชุมกันในต้องโปรโงวิฑุทบักกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลําดับนั้นพวกเจ้าสาคยะกล่าวกับพระกุมาร น, นั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิฑูตบักนั้น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 พระองค์ประทับอยู่สิ้นสองถึงสามวันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยปริวาณเป็นอันมากลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสบคติยานั่งนังนี้แล้วก็ล้างแผ่นกระดานที่พระกุมาร น, นั้นนั่งในท้องพระองค์ด้วยน้ำ เจือด้วยน้ำนมมหาเล็กคนหนึ่งหรืออาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงดาวิฑุทะพักุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่าล่างวาสะพักกติยาเกิดในท้องของนางตาสีของท้าวมาหานามาสขยะจึงบอกกล่าวแก่พวกผลได้มีการอื้อเช้ากัน ยังขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสะบักติยาเป็นทิดาของนางตาสีตอนวิตุทะพะทรงอาคาตพวกเจ้าสากยักษ์เจ้าวิตุทะพะทรงสดับคำนั้นจึงตั้งพระไตยวาพวกเจ้าสากยักษ์เหล่านั้นจงล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยนมก่อน แต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสากยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งเมื่อพระองค์เสด็จญาตราถึงกรุงสาบถีพวกอมาดก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแด่พระราชาพระราชาทรงพิโรธเจ้าสากยะว่าได้ให้ทิดานางตาสีแก่เราจึงรับสั่งให้ริบ เรื่องบริหารที่พระราชทานแก่พระนางวาสภักติยาและพระโอรสให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันพูเป็นทาตและธาสีพึ่งได้เท่านั้นต่อมาโดยการล่วงไปสองถึงสวันพระาศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศประทับนั่งแล้วพระราชาเสด็จมาถวายบังคมและถุนบ่า แต่พระองค์ผู้เชิญกล่าวลือว่าพวกพระญาติของพระองค์ประธานทิดาแห่งนางทาสีแก่หม่อมฉันเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงริบเรื่องบริหารของนางวาสภาคติยานั้นพร้อมทั้งบุตรให้เพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาตและทาสีควรได้เท่านั้นพระศาสดาได้ตรัสว่ามหาบพิตร พวกเจ้าสากยะทำกรรมไม่สมควรธรรมดาเมื่อจะให้ก็ควรให้ระธิดาที่มีชาติเสมอกันมหาปพิสก็อตมาภาพขอทูลพระองค์ว่าพระนางวาสภาคติยาเป็นประธิดาของกัตติยาราชได้อภิเศษในพระราชมเทียนของกัตติยาราชฝาวิตุทภพกกุมาร ก็ส่งอาศัยขติยราชนั่นแลประสูตดแล้วธรรมนาว่าวงตระกูลฝ่ายมารดาจะทำอะไรได้วงตระกูลฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญดันี้แล้วจึงได้ตรัสว่าโบราณกาบันดิตทั้งหลายได้พระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงผู้ยากจนผู้หาฟืน และพระกุมารที่เกิดในท้องของนางนั้นก็ถึงความเป็นพระราชาในพระนรครพระนาศีอันกว้างใหญ่ไพศาลถึงสิบสองโยศงพระนามว่ากันตะวาหนราชาและได้ตรัสกันตะหารียชาดกพระราชาทรงสดับธรรมกาาทรงยินดีว่า ทราบว่าวงตระกูลฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสําคัญจึงร่ำสั่งให้พระราชาตานเครื่องบริหารเช่นเคยนั่นแหลแก่มารดาและบุตรตอนพันธุลัเสนาบดีภริยาแม่ของพันธุละเสนาบดีนั่นแหลชื่อมัลิกาซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้ามัลละในกุสินารานคอนไม่คลอดบุตร สิ้นกาลนานต่อมาพันธุระเสนาบดีจึงส่งนางไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเฉิดเถิดนางคิดว่าเราจะไปเฝ้าพระศา ส, สดาแล้วจึงเดินทางกลับจึงเข้าไปยังพระเฉิตะวันยืนถวายบังคมพระตถาคตอันพระตถาคตตรัสตามว่าเดิจะไปณที่ไหน นางมริกาจึงกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามีส่งหม่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลพระสัสดาข้อนั้นพระเหตุไย ห, หรือนางมริกาในยะว่าหม่อมฉันเป็นหมันไม่มีบุตรพระศัสดาถ้าอย่างนั้นกิจคือการไปไม่มีเธอจงกลับไปเฉียเถิดนางมริกานั้นดีใจ วายบางกมพระศัสดากลับไปสู่นิเวศของตนเมื่อสามีถามว่ากลับมาทำไมนางจึงตอบว่าพระทศพลให้ฉันกลับพันธุระมีความคิดว่าพระทศพลช่งเห็นการไกลจะเห็นเหตุนี้จึงรับไว้ต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งกันเกิดอาการแพ้ท้องนามริกา จึงได้กล่าวกับพันธุละเสนาบดีว่าความแพ้ท้องเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วพันธุละแพ้ท้องอย่างไรหรือนางนามริกานายฉันใกล้จะลงอาบน้ำแล้วดื่มน้ำที่ควรดื่มในสะโบกกรณีอันเป็นมงคลในงานอภิเศกแห่งคณะราชตระกูลในนครไปสาลีพันธุละกล่าวว่า ดีละแล้วจึงถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเรียวแรงขอมุรุษพันหนึ่งอุ้มนางขึ้นรถเอาจากเมืองสาวัตถีขับรถไปสู่เมืองภัยสาลีโดยประตูที่เจ้าลิชวีให้แกมหาลิลิชวีก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิชวีนามว่ามาลิมีอยู่นะที่ใกล้ประตูนั่นแหละ ท่านได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็รู้ว่าเสียงรถของปันทุละจึงกล่าวว่าวันนี้ภัยจะเกิดแก่พวกเจ้าดิชวีการรากาสะบโบกรณีแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเบื้องบนเขาขึงข่ายโลหะแม้นกก็ไม่มีโอกาสฝ่ายปันธุละเสนาบดีลงจากรถ เขียนพวกมนุษย์ผู้รักษาสะนั้นด้วยหวายให้หลบหนีไปแล้วตัดขายโลหะให้ภริยาอาบแล้วแม้ตนเองก็อาบในภายในสระโบกรณีแล้วจึงอุ้มนางขึ้นรถอีกออกจากพรรนักรครับไปโดยทางที่มาแล้วนั่นแหละพวกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาทูนเรื่องนี้แก่พวกเจ้าลิชวี พวกเจ้าฤชวีกริว้วจึงเสด็จขึ้นรถห้าร้อยคันขับออกไปด้วยเจตนาว่าจกจับเจ้ามะละชื่อพันธุละได้แจ้งเรื่องนั้นแกเาาา่เจ้ามาหาลิเจ้ามหาลิตรัสว่าพวกท่านอย่าเสด็จไปเพราะเจ้าพันธุละนั้นจะฆ่าพวกท่านทั้งหมดแม้เจ้าฤชวีเหล่านั้นก็ยังทรงตรัสว่าพวกข้าพระเจ้าจะไปให้ได้ เจ้ามาลีจึงตรัสว่าถ้ากรณ์นั้นพวกท่านเมื่อเห็นที่ที่ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดุ่มแล้วก็พึงเสด็จกลับเมื่อไม่กลับแต่นั้นจะได้ยินเสียงราวกับสายอ ส, สนีบาตข้างหน้าก็พึงเสด็จกลับจากที่นั้นถ้าไม่กลับแต่นั้นจะเห็นช่องในแองรถของพวกท่าน พึงกลับแต่ที่นั้นทีเดียวอย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นนังขาดเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่เสด็จกลับตามคำของเจ้ามาหาลิพากันติดตามพันธุระเรื่อยไปนามริกาเห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านายรถทั้งหลายย่อมปรากฏพันธุระกล่าวว่าถ้ากระนั้นในเวลาที่รถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวเจ้าพึงบอก ในการที่เมื่อรถทั้งหมดปรากฏดุจเป็นกันเดียวกันคืออยู่เรียงแถวเดียวกันแล้วนางจึงบอกกับพันธุละว่านายงอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวพันธุละจึงกล่าวว่าถ้าการะนั้นเธอจงจับเชือกนี้ไว้แล้วให้เชื่อกแก่นางพันธุละยืนตรงอยู่บนรถกงธนูขึ้นล้อรถ จมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุมเจ้าลิชบีทรงเห็นที่นั้นแล้วก็ยังไม่เสด็จกลับเจ้าพันทุละไปได้หน่อยหนึ่งก็ดีสายสนุเสียงสายสนุนั้นได้เป็นประหนึ่งเสียงอัศนีบาดเจ้าลิชบีเหล่านั้นก็ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่นั้นยังเสด็จติดตามไปอยู่นั่นแหละพันทุละ ยืนอยู่บนรถนั่นแลยิงลูกศรไปลูกหนึ่งลูกศร น, นั้นทำงอนรถห0 0รยันให้เป็นช่องแล้วแทงทะลุพระราชาห้าร้อยในที่ผูกเกาะแล้วปักลงไปในแผ่นดินเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนถูกลูกศรแทงแล้วจึงตรัสว่าเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนก็ยังเสด็จติดตามไปนั่นแหละ พันธุละเสนาบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตายชื่อว่าการรบของข้าพเจ้ากับคนตายทั้งหลายย่อมไม่มีพวกเจ้าลิชวีชื่อว่าคนตายเป็นเหมือนเราไม่มีหรอกปันธุละถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงแก้กรอกของคนที่อยู่ท้ายสุดดูพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้แก้กรอกแล้ว เจ้าฤชวีองค์นั้นล้มลงสิ้นชีพพิ tag ใสในขณะที่แกะกรอกออกแล้วนั่นเองที่นั้นพันธุละจึงกล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าพวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกันจงไปยังเรือนของตนของตนแล้วจึงจัดสิ่งที่ควรจัดพร่ำสอนลูกเมียแล้วแกะกระออกเจ้าลิชวีเหล่านั้น กระทำอย่างนั้นทุกๆองค์ถึงฉีพิตักใส่แล้วฝ่ายพันธุละพานางมาริกามายังเมืองสาวัตถีคลอดบุตรเป็นคู่คู่ถึงส6ครั้งแม่บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แกล้กลาถึงพรามด้วยกำลังถึงความสำเร็จศิลปะทั้งหมดคนหนึ่งหนึ่งได้มีบุรุษพันคนเป็นบริวาร พระลานหลวงเต็มไปด้วยบุตรเหล่านั้นแหลซึ่งไปราชนิเวศก บ, บิดาตอนพันธุลัเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมตั้งบุตรอยู่มาวันหนึ่งพวกมนุษย์แป้ความด้วยคดีโกงในการวินิจฉัยเห็นพันธุละกําำลังเดินมาร่ำร้องกันใหญ่แจ้งการกระทำคดีโกงของพวกอมาตะ ผู้วินิจฉัยแก่พันธุล้านั้นพันธุละไปสู่โรงวินิจฉัยพิจรารณาคดีนั้นแล้วได้ทำผู้เป็นเจ้าของนั้นแหละให้เป็นเจ้าของมหาชนให้สารทุกการเป็นไปด้วยเสียงอันดังพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงโสมนัสให้ถอดพวกอมตะ เหล่านั้นแม้ทั้งหมดชงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุลัเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพันธุลักก็วินิจฉัยโดยถูกต้องจำเดิมตั้งแต่วันนั้นพวกอมาตะผู้วินิจฉัยรุ่นเก่าไม่ได้ข้าจ้างมีรายได้น้อยจึงยุโยงในราชตระกูลว่าพันธุลักษรันาเป็นพระราชา พระราชาทรงเชื่อคําของอํามาตะเหล่านั้นมิได้อาจจะทรงข่มพระหฤุตัยได้ทรงดาริว่าเมื่อพันธุลัตถูฆ่าตายในที่นี้นั่นแลความกระหาก็จะเกิดขึ้นแก่เราจึงทรงมีรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้โจมตีปัจจันตนครแล้วรับสั่งให้หาพันธุลมาทรงส่งไปด้วยพระําชดริว่า ทราบว่าจังหวัดปลายแดนโจรกำเริบขึ้นท่านพร้อมทั้งบุตรของท่านจงไปจับโจรมาแล้วส่งส่งนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งสามารถเหล่าอื่นไปกับพันธุลัษเสนาบดีนั้นด้วยพระดารัสว่าพวกท่านจงตัดสีสะพันธุลัษเสนาบดีพร้อมทั้งบุตรสามสิบสองคนในที่นั้นแล้วนามา เมื่อพันธุลานั้นพอถึงจังหวัดปลายแดนพวกโจรที่พระราชาทรงแต่งไว้กล่าวกันว่าทราบว่าท่านเสนาบดีมาแล้วพากันหลบหนีไปพันธุลาเสนาบดีนั้นยังประเทศนั้นให้สงบราบคาบแล้วก็กลับมาลำดับนั้นทหารเหล่านั้นก็ตัดศีรษะพันธุลเสนาบดี พร้อมกับบุตรทั้งหมดในที่ใกล้บรรนกษตอนนางมลิกาเทวีไม่มีความเสียใจวันนั้นนางมลิกาเทวีนิมนต์พระหัครสาวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุห0 0รรูปเพระในเวลาเช้าพวกคนได้นำหนังสือมาให้นางเนื้อความว่าโจรตัดสีสาสามี พร้อมทั้งบุตรของท่านนางรู้เรื่องนั้นแล้วไม่บอกใครๆพับหนังสือใส่ไว้ในพวกผ้าอังคาดภิกษุสงฆ์เรื่อยไปขณะนั้นสาวใช้ของนางถวายพัดแก่ภิกษุแล้วนำถาดเนยใสายมาทำถาดแตกตรงหน้าพระเถระพระธรรมสนาบดีคือท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า สิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วใครๆไม่ควรคิดนาเมริกานั้นนำเอาหนังสือออกจากพวกผ้าเรียนท่านว่าเขานำหนังสือนี้มาให้แก่ดิฉันเนื้อความว่าพวกโจรตัดสีษาบิดาพร้อมด้วยบุตร32คนดิฉันแม้สะดับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่คิดเมื่อเพียงถาดเนยใสยแตก ดิฉันจะคิดอย่างไรได้เล่าเจ้าค่าพระธรมสินาบดีจึงกล่าวคำที่เป็นกระตานิว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครใครก็รู้ไม่ได้ทั้งฝืดเคืองทั้งน้อยและชีวิตนั้นซ้ำประกอบด้วยทุกแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะได้ไปวิหารแล้ว ฝายนางมลริกาให้เรียกสภัายทั้ง32คนมาแล้วรังสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดได้รับผลกรรมในชาติก่อนของตนเธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าปริเทวนาการอย่าทำการผูกแค้นใจต่อพระราชาจารุ บ, บรุตรคือคนสอดแนมของพระราชาฟังถ้ายคำนั้นแล้ว กราบทูลความที่ชนเหล่านั้นไม่มีโทษแด่พระราชาพระราชาถึงความสลดพระทยัยเสด็จไปยังนิเวศของนางมาลิกานั้นให้นางมาลิกาและหญิงสะัภ้อดโทษแล้วได้พระราชท า, านพรแก่นางมาลิกานางจึงกราบทูลว่าพรจงเป็นพร อ, อันหม่อมฉันรับไว้เถิดเมื่อพระราชานั้นเสด็จไปแล้ว ถวายพัดเพื่อผู้ตายอาบน้ำแล้วเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าขอเดชะพระองค์พระราชทานพรแก่หม่อมฉันแล้วอันหนึง่งหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยของอื่นขอพระองค์จงทรงอนุ ญ, ญาตให้ลูกสะใภ้สาคนของหม่อมฉันและตัวหม่อมฉันกลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิดพระราชาทรงรับแล้ว นางมาลิกาส่งหญิงสะใภ้สาคนไปสู่ตระกูลของตนของตนด้วยตนเองส่วนนางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุสีนารานกรฝ่ายพระราชาได้พระราชทานตําแหน่งเสนาบดีแก่ทีคะการายนะผู้ซึ่งเป็นหลานพันธุละเสนาบดีก็ทีคะการายนะนั้น เที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาด้วยคิดอยู่ว่าลุงของเราถูกพระราชาองค์นี้ให้ตายแล้วข้าว่าจำเดิมแต่การที่พันธุละผู้ไม่มีความผิดถูกฆ่าแล้วพระราชาทรงมีวิปติสารคือความร้อนใจไม่ได้รับความสบายพระฤริไยไไม่ได้สวยความสุขในราชสมบัติเลยตอน พระราชาสวรรคตกรางนั้นพระศาสดาทรงอาศัยนิคมชื่อเมทลุปะของพวกเจ้าสาคยะประทับอยู่พระราชาสเสด็จไปในที่นั้นแล้วทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลาจากพระอารามแล้วสเสด็จไปวิหารด้วยบริวารเปน็นมากด้วยทรงดำริว่าจะถวายบังคมพระสัสดา จึงได้ฝากเรื่องราชะกะกุธภันทั้งห้าคือพระขันธ์สเสวตระชัดมงกุฎสลองพระบาทและพัดวาระวิชณีไว้แก่ทีคะกรยานะนั้นเมื่อฝากเรื่องราชะกะกุธภันทั้งห้าไว้แล้วจึงได้เสด็จเข้าสู่พระขันธกุดีของพระศาสดาเพียงลำพังพระองค์เดียว พึงทราบเรื่องราวทั้งหมดโดยตานองแห่งธรรมเจติยสูตรเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีแล้วที่ค้าการยนะนั้นจึงถือเอาเรื่องราชากกุธภันเหล่านั้นทำมิตุตภะให้เป็นพระราชาเหลือม้าไว้ตัวหนึ่งและหญิงผู้เป็นพนักงานอุปถาก ค, คนหนึ่งแล้วได้กลับไปสู่เมืองสาวัตถี พระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาแล้วสเสด็จถอกไม่ทรงเห็นเหล่าเสนาจึงตรัสถามหญิงนั้นเมื่อทราบเรื่องนั้นแล้วจึงทรงดำริว่าเราจะพาหลานไปจับพิธุธพะดังนี้แล้วสเสด็จไปกรุงราชกฤชเสด็จถึงบรรณากรเมื่อประตูพรรนากรอั้นเขาปิดแล้วในเวลาวิการ มันธมแล้วในศาลาแห่งหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดดได้สวรรคตในที่นั้นนั่นเองในเวลากลางคืนเมื่อราตรีสว่างแล้วประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนนั้นคร่ำครวญอยู่ว่าข้าแต่สมุทิเทพผู้จอมแห่งชาวโกศลพระองค์ไม่มีที่พึ่งแล้วประชาชนจึงกราบทูลแก่พระราชา เท้าเธอส่งรับสั่งให้ทํสศรีรากิจของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่โอ้โหตะบูฟังเลยฟังมาถึงตอนนี้นั่นมันเป็นกรรมกันเห็นเห็นเลยตะบูฟังนับบรรทุละมีเชี่ยวชาญในวิชาการรบใช้ธนูสามารถที่จะยิงทะลุรถห้าร้อยคันทำให้คนที่อยู่บนรถเนี่ยไ ส, ส้เซยอะไรนี่แตกเรียบร้อยแล้วแต่แต่ว่าเกราะมันยังหุ้ม ห่อกันเอาไว้อยู่แังแค่ทอดกรอออกเท่านั้นใส่ไหลออกมาแตกตายเลยเนื่องเพราะว่าเมียท้องต้องไปดื่มน้ําจากาสระที่เขาห่วงห้ามทําให้ต้องฆ่าคนในสุดท้ายที่สุดตัวเองพร้อมกับลูกทั้ง32คนก็ถูกฆ่าด้วยพระพเจ้าเปอร์เซนที่โกรธสนไปฆ่าพันธุละสุดท้ายตัวเองก็ตายด้วยแต่จากการที่ถูกแย่งราชสมบัติวิจุตภะก็เหมือนกันใะบวชแต่จะเป็นเรื่องที่เราจะมา ฟังกันตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับวิฑูตภวะว่าได้รับความตายอย่างไรในเรื่องนี้เราไปทำความเข้าใจเรื่องที่ได้ฟังมาตรงนี้สักนิดหนึ่งแต่บัหวังไล่กันเป็นลําดับมาใ น, นแต่เรื่องของวิฑูทภะหลังจากที่พระเจ้าเปรสเชนทิโกศนทราบความจริงแล้วว่านางวาสภาคติยานี้เป็นลูกของนางทาสีเพียงแต่ว่าพ่อเนี่ยคือเจ้าสากยะมานามะก็จริงอยู่แต่ว่าแม่เนี่ไม่ใช่เชื้อสายสากยะ ทำไมส่งคนแบบนี้มาให้เราและมีความรังเกียจก็เลยปลดวิตูทพะปลดทั้งวาสภักัติยาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มาช่วยไว้ธรรมวั ง, ม, งมาแสดงทำให้มีความอาถรรพ์ราเริงเห็นแจ้งว่าอ๋อมันก็อยู่ที่เชื้อสายของพ่อแต่นี่มีความสำคัญกว่าก็เลยได้ให้ตำแหน่งเดิมในการที่เป็นมังกรราชกุมารตรงนั้นถัดมาคือเรื่องของจ้าปันดุลาธรรมวัง ที่เป็นเพื่อนสมัยที่ไปเรียนวิชาตั้งแต่เมืองตะ ก, กัศิลา น, นู่นนลักษณะของพันตุลาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นคนที่มี EQ น้นนอยแต่มีความสามารถสูงก็จริงมี IQ สูงในเรื่องนี้ก็หมายถึงทักษะในการรบแต่ว่ามี EQ น้อยเพราะเราจะดูได้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าพวกญาติญาติตอนที่ทดสอบความรู้หลังจากที่เรียนจบมาจากเมืองตะกศิลาเอาไม้ไผ่สอดเหล็กเอาไว้ทุกๆด้าม ทดสอบด้วยการให้พันธุล่นั้นเอามีดมาตัดให้ขาดเนี่ย ล, ลำไผ่ทั้งหมดรู้สึกจะหกสิท่อนด้วยกันปรากฏว่าตัดไปเรื่อยๆจนถึงลำสุดท้ายได้ยินเสียงกริ๊กนิดนึงก็เลยทําให้เครื่องไม่พอใจแล้วว่าเอาทําไมมาแอบซ่อนผูกเหล็กกันเอาไว้ตรงนี้เน่ตัดก็ตัดขาดอยู่จริงๆคือถ้าตัวเองรู้ว่ามีเหล็กซ่อนอยู่จะตัดให้ไม่มีเสียงเลยมีความคิดบางอย่ามเหมือนกับเสียเหลี่ยมครูของเจ้าวิทยายุทดอย่างเี้นะท่านผู้ฟัง ก็เลยคิดว่าจะฆ่าเขาทำร้ายเขาเนื่องจากการที่ไม่บอกก่อนจะทำไมอยู่เมืองนั้นไม่ได้ละ่ะก็ต้องหนีมาอยู่กับพระเจ้าเปร์เซนิโกศนได้เป็นเสนาบดีในภายหลังก็ถูกเขาใส่ความท่นานผู้ฟังพันทุลานีถูกเขายุยงใส่ความเพราะว่าความที่ไปทําให้เขาไม่พอใจละ่ะให้พวกอมาตย์เหล่าอื่นไม่พอใจถูกใส่ความแล้วก็เลยถูกพระเจ้าเปร์เซนิโกสนเพื่อนของตัวเองนี่แหละวางแผนในการฆ่าทำลายชีวิตเสีย ความสามารถของพันธุลาในเรื่องของธนูนี้เราจะเห็นได้จากการที่สามารถที่จะยิงธนูแต่คือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจหล้วว่าลูกธนูนี้เป็นลูกจริงๆริงหรือ ว, ว่าเป็นพลังงานที่ปล่อยออกไปจากคันธนูเพราะว่าดูเหมือนว่าสามารถที่จะทะลุทะลวงเกราะได้โดยที่ไม่มีร่องรอยเหลืออยู่อย่างไรก็ตามก็มีความสามารถมากในเรื่องนี้ส่วนอีกคนหนึ่งคือเจ้ามหาลิมีสามคนเป็นเพื่อนกันคือเจ้าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศล เจ้าพันธุละและก็เจ้ามหาลิสามคนนี้เป็นเพื่อนกันพระเศวณิโกสนก็มีความสามารถในด้านรัฐศาสตร์ในด้านการบริหารการปกครองจึงได้เป็นพระราชาพันธุละก็มีความสามารถในเรื่องของบูคือการใช้กําลังในการสู้รบวิชายุทธต่างๆโดยเฉพาะยยิ่งการใช้ธนูนัคือพันธุละส่วนเจ้ามหาลิก็มีความสามารถในเรื่องของการข่าวสาร การข่าวของเจ้ามาหาริงนี่ดีมากจะพูดถึงก็คือเป็นฝ่ายสนะที่การได้อย่างดีแค่ว่าได้ยินเสียงล้อรถกระทบกับธรณีประตูก็รู้ทันทีว่าเป็นรถของพันธุละแล้วก็ยังเตือนเจ้าสักยะทั้งหลายด้วยว่าถ้ารถของท่านล้อมันจมลงไปถึงดุมให้รีบกลับแต่นี่คือแสดงว่ามีความรู้ถึงการที่เวลาที่พันธุละเขาจะกงธนูเนี่ยต้องใช้แรงมาก ทำให้รถเนี่ยมันถูกกดลงไปรถถูกกดลงไปจนล่อจมดินถึงดุมรถคันหลังๆตามมาก็มาร่องเดียวกันก็จมลงดินเหมือนกันแต่เวลาที่ปล่อยธนูไปก็จะมีเสียงเหมือนอัศนีบาดรู้ข่าวสารรู้วิชาการพวกนี้ก็แน่นอนล่ะเพราะว่าเรียนมาด้วยกันทาให้มีการข่าวได้อย่างดี น, นี่คือเจ้ามหาลิอย่างไรก็ตามหลังจากที่พระเจ้าปเศษที่กศลวางแผนฆ่าพันธุลเสนาบดี เสร็จรียบร้อยแล้วตัวเองก็มีความไม่สบายใจในวาระสุดท้ายนั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าตามธรรมเจติยสูตรแต่แต่เวลาพอเหมาะพอสมจะาพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนั้นก็เป็นวาระสุดท้ายของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศล น, นั่นแหละสุดท้ายพอถูกเขาแย่งชิงราชสมบัติโดยหลานหลานของบรรตุลาเสนาบดีได้เอาเครื่องราชกกุกฏพันคือที่จะสามารถใช้อภิเสกเป็นพระราชาได้มอบให้ ลูกของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลคือเจ้าวิทุทะพัฒน์แล้วตัวพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลหลังจากที่ออกมาจากการสนทนาตามกับพระพุทธเจ้าไม่เห็นใครแล้วก็เลยหนีไปเมืองราชคฤื้เพื่อที่จะขอกําลังมาช่วยแต่ว่าเข้าเมืองไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าประตูมันปิดแล้วก็ตายอยู่ข้างนอกจุดจบเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกรรมเห็นได้ชัดชั ด, ดราม่ามากท่านผู้ฟังเรามาฟังจุดจบของพระเจ้าวิทุทะพัฒน์ เช่นต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพรมน